วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันที่พวกเราเชาวพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใฝ่รู้ใฝ่ธรรมมาร่วมกันมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาหาความรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคาสอนจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดคืออะไรสิ่งที่สาคัญที่สุดสำหรับพวกเรานั้นก็คือใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญเท่ากับใจสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ร่างกายของพวกเราหามาได้ เช่นลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะชนิดต่างๆที่พระที่ให้ความสุขกับเราแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วคราวคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามีราบยศเสริญ <c oughs> มีรูปสิ่งกิ์ลดปภถพระชนิดต่างๆมากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปได้ได้ลาภมา วันนี้ใช้ไปเดี๋ยวก็หมดได้ได้ยศได้ตําแหน่งมาเดี๋ยวก็สิ้นสุดลงได้เป็นนายกเดี๋ยวก็ต้องหมดพ้นวาระไปเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปสารเสริญก็ ได้มาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็อาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่แทนที่จะได้รับคันสัตเสริญเพียงอย่างเดียวก็มีคํานินทาติดตามมาด้วยสัตเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้ว มันก็หมดไปผ่านไปสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์เวลาความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ท, ทันทีนี่คือสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นของปลอมเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะดูดความทุกข์ตามมาด้วยสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลดิ่นรสพอมันจางไปหมดไปมันก็จะดูดความทุกข์เข้ามาคนที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้จะร้องห่มร้องไห้คนที่พ้นจากตำแหน่งถูกปดทุกอะไรก็จะเศร้าโศกเสียใจ คนที่เคยได้รับการสรรเสริญเยียรยอพอต้องมารับคําดินทาคําว่ากล่าวก็เกิดความเสียใจน้อยใจคนที่เคยได้รับความสุขจากรูปเสียงเิง่นรถโวดทอพระชนิด ต, ต่างๆพอไม่ได้รับความสุขเหล่านั้นความทุกข์ก็เกิดก็ตามเข้ามา ดังนั้นสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ที่แท้จริงทุกวันนี้พวกเราทุกข์กับอะไรถ้าไม่ได้ทุกข์กับเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆเรื่องร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราก็มีแต่ทุกข์ กับเรื่องราวต่างๆถูกับภัยรอบตัวภัยทางธรรมชาติภัยทางสัตว์ทางบุคคลภัยทางเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ยังมาเจอภัยของความแก่ภัยของความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ภัยของความตายสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจ มากกว่าเป็นคุณกับจิตใจสิ่งที่จะเป็นคุณกับจิตใจก็มีและสิ่งที่จะเป็นโทษกับจิตใจก็มีแต่ผลที่จิตใจจะได้รับจากสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษกับจิตใจนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับใจไปเป็นเวลาอันยาวนานนะ เป็นไปอย่างตลอดการเลยก็ได้ความสุขความทุกข์ของใจนี่ <c oughs> มันเป็นของที่จะอยู่คู่กับใจไปเป็นเวลาอันยาวนานไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายผ่านทางลาบยศสรรเสริญผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆ พอร่างกายนี้ตายไปความสุขความทุกข์ต่างๆที่ได้จากภาพยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะนั้นมันก็หายไปหมดแต่ยังมีส่วนที่ไม่หายไปคือความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของใจเองการกระทําของใจนี้คืออะไร พระุธเจ้าบอกการกระทาของใจก็คือบุญหรือบาปนี่เองที่เป็นการกระทาของใจที่จะส่งผลให้กับใจให้ใจมีความสุขมีความเจริญหรือให้ใจมีความทุกข์มีความเสือ่อมใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ตายไปกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ สิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสรับรู้รอบตัวเรารวมไปทั้งร่างกายของเรานี้วันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปอีกร้อยปีพันปีเรากลับมาที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็จะหายไปแล้วจะกลายเป็นอย่างอื่นไปนี่คือสิ่งที่สาคัญและสิ่งที่ไม่สาคัญ สิ่งที่ไม่สำคัญแต่พวกเรากลับไปให้ความสำคัญกับมันก็คือร่างกายของเราแล้วก็สิ่งที่ร่างกายของเราหามาให้กับเราได้คือลาบยศเสริญและความสุขทางตาหูจมูกมืนกายแต่เราก็ไม่รู้จักความจริงว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ นะความไม่รู้นี้พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าคือโมหะอวิชชาความเห็นผิดเป็นชอบนะความเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห <mm ็นว่าสิ่งที่ไม่สำคัญเห็น <mm ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นี้เป็นสุขเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนสิ่งที่สำคัญส่วนสิ่งที่เป็นสุขที่แท้จริงกลับมองไม่เห็นกัน กับไม่รู้กันเนี่ยคว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงกลับไปหลงคิดไปเห็นสิ่งที่ไม่สาคัญสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก oh ็เลย วิ่งหาเข้าหาสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่เป็นความทุกข์กันหาร่างกายพอได้ร่างกายมาเราก็ใช้ร่างกายหารากยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดตภะชนิดต่างๆหาไปแล้วไม่นานก็กลายเป็นความทุกข์ไปทุก พราสิ่งต่างๆที่เราหานี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่อนอนเป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันสิ้นสุดลงนั่นเองเพอเวลามันเสื่อมเวลามันสิ้นสุดลงมันก็สร้างความทุกข์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับใจแต่พวกเรา พบนี้ชาตินี้ถือว่าโชคดีได้มาพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สำคัญไม่จาเป็นเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและ พระอริยสงสารุกของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการนำเอาความรู้ที่ประเสริฐนี้มาสอนมาบอกพวกเรายังมีอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับเราได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้เสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ที่ศึกษาธรรมนั่นเองศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระธรรมคำสอนที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าท้งนั้นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆก็จะมีผู้จดบันทึกกันเอาไว้ เบื้องต้นก็ใช้ความจำํำผู้ที่มีความจํามันเลิศก็คือพระพระอานนท์พระอานนท์นี้เป็นพระอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าที่สุดและเป็นผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้าทุกครั้งเวลาที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามแล้ะถ้า มีเวลาใดที่พระ อ, อ น, นุนไม่สามารถติดตามพระพุทธเจ้าไปไปฟังธรรมที่พระเจ้าไปแสดงได้พระ อ, อ น, นุนก็ขอพระพุทธเจ้าให้โปรดมาแสดงธรรมให้กับพระ อ, อ น, นุนอีกครั้งหนึ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาที่พนักนี่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งในการที่พระ อ, อ น, นุนจะรับใช้พระพุทธเจ้า เพราะสิ่งที่พระนุนต้องการจากพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ของละเอียดเช่นอาหารอันปราณีจีวรที่ปราณีที่อาศัยที่ปราณียารักษาโรคที่ปราณีแต่สิ่งที่พระนุนปรารถนาอยากจะได้จากพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระนุนจึงมีการขอพรตอนที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นพระอานุให้เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทรงขอพอรแปประการด้วยกัน ส, สอันเป็นการปฏิเสธและสอันเป็นการขอให้พทะเจ้าอนุญาตสิ่งที่ปฏิเสธก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่วสายยารักษาโรคอันปราณี อระอนุนบอกว่าไม่สําคัญอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นตำหนิว่ามารับใช้พระพุทธเจ้าเพื่อหวังผลประโยชน์จากสิ่งอันปานิต่างๆที่พระพุทธเจ้าจะได้รับจากผู้บริจาคอันนี้เป็นการประกาศเพื่อให้คนรู้ว่าไม่ได้มารับใช้พระพุทธเจ้าเพื่อหวังผลประโยชน์ ทางด้านวัตถุจากพระพุทธเจ้าแต่หวังประโยชน์จากการรับใช้พระพุทธเจ้าด้วยการด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและด้วยการจัดสรรผู้ที่มีความบาตรณาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้พระนอนเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้ เวลาที่ใครเดินทางมาอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอ น, นุ์ก็จะพิจารณาดูว่าเหมาะสมควรหรือไม่พอพระอนนุนพิจารณาเห็นว่าสมควรแล้วก็ขอให้พระอนุญาตพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระอนุนพาบุคคลเหล่านั้นเข้าเฝ้าทันทีนี่คือพอรต่างๆที่พระอานนุ์ได้ทรงได้กราบขอพระพุทธเจ้าตอนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัฏฐาก พระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นพรที่ที่น่ายกย่องความต้องการที่น่ายกย่องเพราะมีจิตที่ไม่ปรารถนาหวังผลประโยชน์อะไรนอกจากทรรมเพียงอย่างเดียวทั้งกับตนเองและกับผู้พราะพระอนนี่แหละเป็นผู้ที่จำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกือบทุกคำสอนเลย ทุกพระสูตรตอนที่มีการสังฆนาพระธรรมทั้งแรกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสร็จดับขันธปรญนิ้พานไปแล้วก็มีพระอนุ น, นี่แหละเป็นผู้ที่สาธยายเป็นผู้ที่แสดงธรรมต่างๆที่พุทธเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้เพื่อที่อ เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพูดได้สรงแสดงมาหลังจากที่พระเจ้าเสด็จ ด, ดับขันปริณิพานจากโลกนี้ไปแล้วสามเดือนพระเถระพระอรหันตเถระก็มีความห่วงใยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะ มีความเห็นผิดอะไรต่างๆแปลกความเข้ามาผสมผสานจึงจำเป็นที่ต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างพระอรหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันไม่มีใครรู้เรื่องธรรมะดีกว่าพระอาหารหันต์นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอาหารหันต์นี้เป็นผู้ที่รู้เรื่องธรรมะดีกว่าใครทั้งหมดการสังฆานานี้ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบ ข้อมูลต่าง ๆ, างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้และที่ได้จดจำกันมาคือนอกจากภาพหนอนแล้วก็มีภาะรูปอื่นช่วยกันจดจำมาด้วยก็พอถึงเวลาก็เอาความจำเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันดูแล้วดูซิว่าความจำอันไหนเป็นความจำที่ไม่ตรงกับความจริงก็ให้ตัดออกไปนี่คือการสังคยนา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้างแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วเพื่อเป็นการรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเดิมเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจากพระโอษของพระองค์เลยนี่คือพระธรรมที่ได้มีการจดจำกันมาเป็นยุคเป็นสมัย และก็มีการสังคายนามีการตรวจสอบข้อมูลมาเป็นระยะระยะโดยพระอหรหันต์ต่างๆจนมาถึงยุค ป, ปัจจุบันก็มีการเอามาบันทึกเป็นตัวอักษรบรรจุไว้เป็นหนังสือต่างๆเป็นหนังสือพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้า ให้เราไปศึกษาพระไตรปิฎกก็ได้นี่เป็นทางหนึ่งของการที่เราจะได้เรียนรู้พระธรรมคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นผู้ศึกผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเราก็จะสามารถเรียนรู้ค้นคว้าความรู้ที่พระุทธเจ้าได้ส่งรู้และทรงนํามาสั่งสอนให้กับสารโลกได้อย่างมากมายทีเดียวแต่เราต้อง มีเวลาและมีความสนใจจริงๆที่จะศึกษาส่วนช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือการเข้าหาพระอริยสงสาวกต่างๆนั่นเองพระอริย ส, สงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์นี้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมอันเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เเห็นว่าไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราและความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเรานี่ความสุขอย่างอื่นความทุกข์อย่างอื่นเช่นความทุขทางกายทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์ปลอม เป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวพอร่างกายตายไปมันก็หมดไปไม่มีอะไรติดไปกับใจแต่สิ่งที่จะติดไปกับใจนี้คือความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการทําบุญหรือทำบาปนี้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนทรงอยากให้พวกเรารู้และเข้าใจกันและให้เห็นความสําคัญของการ ทำบุญทำบาปของใจเรานี่เเพราะทำบุญผลของบุญมันจะเปลี่ยนใจให้เป็นใจที่มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นและถ้าทำบาปมันก็จะทำให้ใจนั้นมีความทุกข์มากขึ้นมีความเสื่อมมากขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องต้องเข้าใจและต้อง ต้องต้องรู้ให้ได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสัมคันถ้ท่ากับใจและการกระทําของใจเองคือการกระทําบุญหรือการกระทําบาปถ้าทําบุญก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจถ้าทําบาปก็จะเป็นโทษกับจิตใจขอให้เรายึดหลักอันนี้ไว้อันนี้เป็นหลักความจริงสากล ที่เราเรียกว่าอากาวิโกไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดยุคในอดีตสมัยพระพุทธการความจริงอันนี้ก็เหมือนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความจริงในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันและความจริงในอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ที่มาตัดสัู้ ก็จะรู้เรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาสอนทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าที่ได้มาตัดสัรู้ในอดีตและนําความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนกี่รูป ก, ก็สอนเรื่องเดียวกันนี้สอนเรื่องใจเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในโลกสอนเรื่องบุญเรื่องบาป ท, ที่เป็นสิ่งที่จยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นหรือต่ำลง ที่จะสร้างความสุขให้มากขึ้นหรือสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นแก่จิตใจพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสั้ในอนาคตก็เหมือนกันไม่ว่าจะมามีกี่รูปกี่องค์นี้จะรู้เรื่องเดียวกันเท่านั้นรู้เรื่องใจนี้รู้เรื่องบุญเรื่องบาสนี้แล้วก็จะสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์สอนให้ละ บ, บาปสอนให้ทำบุญแล้วก็สอนให้ชำระใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ใจนั้นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองถ้าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วใจก็จะไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่ขั้นสูงสุดอยู่ขั้นความสุขที่สูงสุดความเจริญที่สูงสุด ที่เราเรียกว่าภานิพานนี้เองดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราวุ่นวายกันวิตกกังวลกันห่วงใ ย, ยกันนี้มันเป็นสิ่งไร้สาระทั้งนั้นเป็นสิ่งเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเหมือนอ ขเขาเรียกว่าฟองน้ำํำฟองน้ํามันไม่มีสาระมันตั้งอยู่ขึ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วสักระยะหนึ่งมันก็หมดไปเนี่ยพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งมันก็หมดไปไม่มีอะไรอยู่แต่ก็อาจจะมีฟองน้ําลูกใหม่โผล่ขึ้นมา มีคนกลุ่มใหม่มีลูกมีหลานมีเหลนมีเด็กยุบหน้าพบ ม, มีเด็กของอนาคตมาแทนที่พวกเราแต่มาแทนที่เท่าไหร่มันก็มันก็หมดไปเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนฟองนะ้าเดี๋ยวมันก็แตกไปแล้วเราไปวิตกกังวลไปห่วงใยไปวุ่นวายไปกับมันทำไมได้เกิดได้ประโยชน์อะไร เวลาเราตายไปเราได้อะไรไปบ้างเราได้สิ่งที่เราวิตกกังวลกันไปหรือเปล่าเราวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายของเราแล้วเราเอาร่างกายเราไปได้หรือเปล่าก็เอาไปไม่ได้เราวิตกกังวลกับลูกหลานของเราพี่น้องของเราปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราแล้วเวลาเขาตายไปเขาเอาอะไรไปได้หรือเปล่าเราตายไปเราเราเอาเขาไปได้หรือเปล่าแล้วอะไรเขาไปไม่ได้เลยแม่แต่ นิดเดียวร่างกายของเราเราก็เอาไปไม่ได้วุ่นวายกับมันห่วงใ ย, ยกังวลกับมันวิตกกังวลหวาดตัวถ้าเป็นแทบตายพอตายไปก็รักษามันไม่ได้ดูแลมันไม่ได้ป้องกันมันไม่ได้ทรัพย์สมบัติยากทรัพย์สมบัติทั้งร้อยที่หามาได้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดอ แล้วเราไปวุ่นวายไปกับมันทำไมถ้าเราไหมแต่สิ่งที่มันจะทำให้เราทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่จะสิ่งที่จะรับความทุกข์ก็คือใจของพวกเรานี้ใจของเรานี่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไปยึดไปติดไปรักไปชอบไปหวงไปไปห่ว ง, ไ ป, ไ, ปวงไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองนี่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเรา ถ้าเราไม่หวงไม่ห่วงไม่กังวลเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมกันเวลาเรารักเราหวงอะไรพออะไรมาจะแยกอะไรจากเราไปนี้เราต้องป้องกันทันที บางทีถึงกับต้องฆ่าฟันกันถึงกับต้องทำร้ายกันทำให้เราต้องมาทำบาปกันแล้วก็การทำบาปมันก็จะชุดร่างให้ใจของเราเสื่อมลงตำ่ำใจของเรานี้สามารถขึ้นสูงได้ <c oughs> สามารถลงต่ำได้ใจของเรานี้มีแบ่งไว้สองซิกซีกหนึ่งเรียกว่าสุขคต อีกซีกหนึ่งเรียกว่าทุกขติถ้าใจทำบุญใจก็จะเจริญไปในสุ ข, ขติถ้าใจทำบาปใจก็จะเสื่อมไปทางทุก ข, ขติตอนนี้ใจของเราอยู่ตรงกลางตอนที่เรามาเกิดตอนที่เราได้ร่างกายอย่างนี้ใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์ มนุนี่อยู่ขั้นกลางระหว่างสุคติกับทุคกกติแต่พอเราโตขึ้นเราก็เริ่มมีการทำบุญบ้างทำบาปบ้างขึ้นแต่ว่านิสัยของเราชอบทำอะไรกันถ้านิสัยเราชอบทำบุญเราก็มักจะทำบุญกันถ้านิสัยเราชอบทำบาปเราก็จะทำบาปกันอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ ครอบครัวที่เราอยู่ด้วยครอบครัวที่เรามาเกิดอยู่ที่ครอบครัวว่าเขาชอบทำบุญหรือชอบทำบาปถ้าเขาชอบทำบุญเขาก็จะดึงเราไปทำบุญกับเขาถ้าเขาชอบทำบาปเขาก็จะดึงเราไปทำบาปกับเขาเมื่อมีการทำบุญมีการทำบาปเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มมีผลต่อใจทันที มีผลตั้งแต่ยังไม่ตายนยะใจนี้เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่ร่างกายนี้ยังไม่ตายถ้าทำบุญใจก็จะพัฒนาให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นคำ ว, ว่าสูงก็สูงกว่าระดับของมนุษย์ระดับของมนุษย์ที่สูงกว่าก็คือชั้นสวรรค์ชั้นเทพต่างๆและสวรรค์ชั้นพรหม และสวรรค์ชั้นอริยบุคคลมีอยู่สามสระดับด้วยกันสำหรับความเจริญสำหรับผู้ที่ได้ทาบุญแล้วสวรรค์ชั้นเหล่านี้ก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปตามล ำ, ลำดับถ้าอยู่สวรรค์ที่สูงขึ้นความสุขก็จะมากขึ้นอยู่สวรรค์ที่ต่ำลงก็มีความสุขน้อยลงไป แต่เป็นเป็นพบที่มีความสุขมากกว่ามนุษย์มนุษย์นี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับมีความสุขความทุกข์ประมาณ50าสิบห้าบอยู่ตรงกลางมีความทุกข์ห้สมีความสุข50แต่พอได้เริ่มทําบุญกันความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็จะลดน้อยลงเช่นจากหกสิบ จาก5้า0ห้าก็ไปเป็น60 40เป็น70 30สเป็น80 20สเป็น9ก้บกรสิบแล้วก็เป็นเต็มร้อยกับศูนย์เลยอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญส่วนผลที่เกิดจากการทำบาปมันก็จะเป็นตรงกันข้ามกันจากความสุข50ความทุกข์หพอเริ่มทำบาปแล้ว ความทุกข์ก็จะเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะลดน้อยลงเป็นทุกข์ความสุข40ทุกข์เจความสุข30ไปจนกระทั่งมีแต่ทุกข์เพีออยงเดียวร้0เซนี่คือระดับของทุกขติมี4ระดับด้วยกันคือระดับของเดรัจฉานของอสุรกายของเปรตและของนรก ความทุกมันจะมีมากขึ้นไปตามลำดับเป็นเดรัจฉานก็มีความทุกข์มากขึ้นหน่อยอยากมนุษย์มากกว่ามนุษย์เพราะสัตว์เดรัจฉานนี้มีภัยรอบด้านจะถูกกัดกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่อยู่แบบปลอดภัยก็ไม่มีอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆโอกาสที่จะตายนี้มากกว่าของมนุษย์เยอะแยะความทุกข์ก็จึงมีมากกว่ามนุษย์ แล้วถ้าไปเป็นอสูรกายยิ่งทุกข์มากอย่างเพราะเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกอสูรกายนี้เป็นพวกที่มีความกลัวทําบาปด้วยความกลัวเวลากลัวอะไรกลัวเขาจะมาทําร้ายเราก็ฆ่าเขาก่อนเลยป้องกันตัวเราเองก็เลยจะมีความทุกข์ความหวาดกลัวมากขึ้นแล้วพวกที่จะมีความทุกข์ความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นนี่นึกถ้าเท่ากับอสูรกายก็คือพวกเปรด พวกเปลดนั่นก็ทุกข์เพราะความความโลภความหิวความอยากอยากได้มากๆหิวมากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งหิวมากได้ครืบก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วาถ้าได้มาด้วยการทําบาปใจก็จะกลายเป็นเปรตไปแต่ถ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือทำมาหากินแล้วร่ํารวยขึ้นมา ได้สิบล้านไม่พอขยายโครงการเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปทำเบียดเบียนไปทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์ที่มีความหิวโหวยไม่ค่อยมีความอิ่มความพอได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขจากสิ่งที่ได้มาเพราะมันไม่ได้ทำให้อิ่มใจเพราะมันกลับทาให้หิวมีความอยากที่จะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไปทําบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาอันนี้จะทําให้กลายเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเนี่พวกที่เราอุทิศบุญให้ก็พวกนี้แหละเพราะเวลาเขาอยู่มีชีวิตอยู่เขาไม่สนใจการเรื่องการทําบุญเขาสนใจแต่เรื่องการหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติต่างๆเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องบุญว่ามีจริงนั่นเองเขามองไม่เห็นว่าใครไป ใครไปรับผลบุญเวลาร่างกายตายไปแล้วไม่มีใครไปรับอะไรอีกแล้วทําไปก็เสียป่ะ เ, เสียเงินเสียทองไปเบาๆซื้อเอาเงินเอาทองมาซื้อความสุขต่างๆไม่ดีกว่าแล้วซื้อรถราคาแพงๆคาระยี่สิบล้านสามสิบล้านซื้อบ้านคอนโดหลังละร้อยล้านพันล้านเอาเงินมาซื้อกันอย่างนี้แต่ซื้อได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่มีความสุข ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพวกขอทานนี่นอนอยู่ตามโคนไม้กับมีความสุขมากกว่าเพราะใจไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. อันนี้ก็เรื่องของดวงวิญญาณของผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภจะไปเป็นเปรตจะหิวโหวยแล้วพวกที่ทำความทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ฟันต่อฟันตาต่อตาต้ อ, ตตองล้างแค้นกันใครทำอะไรเราเราต้องล้างแค้นกันตรงนี้ก็จะมีความทุกข์ร้ยเอร์เซนตเลยไม่มีความสุขอยู่เลยเพราะถูกไฟนรกคือไฟของความอาฆาตพยาบาทนี้คอยเาผาผลาญอยู่เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะถูกไฟอาฆาตพยาบาทนี้เาผาผลาญอยู่เรื่อยๆจนกว่ากรรมที่ได้ทำไว้มันหมดกาลังลง แล้วความอาฆาตพยาบาทสงบตัวลงถึงจะได้เปลี่ยนจากสภาพนรกมาเป็นอาจจะเป็นเปรตก่อนอาจจะเป็นนสุลกายก่อนหรืออาจจะมาเป็นเดรัจฉานก่อนจนกว่าบาปกรรมที่ส่งให้จิตใจนั้นลงไปสู่ภพเหล่านั้นหมดกำลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> แต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> ก็มีนิสัยอันเดิมติดตัวมาอยู่ นิสัยอาฆาตพยาบาทเหมือนเดิมนิสัยโลภเหมือนเดิมนิสัยกลัวเหมือนเดิมนิสัยชอบเอาเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนเดิ ม, มก็จะทำให้กลับมาทำบาปอีกใ<ม>นโลกนี้เราถึงมักค น, คนเรามักจะถามว่าเวลาเกิดมาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนแต่พอเวลาโตขึ้นแล้วกลับไปทำอะไรไม่เหมือนกันทั้งๆที่บางทีก็เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันเสียได้ซ้าไป แต่คนหนึ่งเข้าวัดไปบวชอีกคนหนึ่งเข้าคุพกพบไปปล้นธนาคารไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้อันนี้ก็เป็นเพราะนิสัยเดิมของเขานิสัยที่ชอบทําบุญทําบาปมันไม่ได้ถ่ายทอดมาจากพ่อแมนะ่สิ่งที่ได้ถ่ายทอดจากพ่อแม่คือร่างกายร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่ผลิตให้แต่ดวงวิญญาณที่มาเกาะติดร่างกายนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่และบุญหรือบาป รนิสัยที่ชอบทำบุญทำบาปที่ติดอยู่กับใจนี้มันไม่ได้มาจากพ่อแม่ถึงแม่พ่อแม่ จ, จะเป็นคนชอบทำบุญแต่ลูกอาจจะชอบทำบาปก็ได้หรือพ่อแม่ชอบทำบาปแต่ลูกอาจจะชอบทำบุญก็ได้อันนี้จึงทำให้ไม่เหมือนกันคนในครอบครัวนี้ไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะมีชอบทำบุญมาด้วยกันมาเจอกันก็มี ก็กลายเป็นการละยานมิตรไปอีกพวกชอบเกลียดกันเวลามาเจอกันก็เกลียดกันกลายเป็นคู่กรรมกันไปก็มีอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่ได้ทําอะไรไว้แล้วก็ถูกปลุกฝังไว้ในใจมันไม่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายะความรักความชังความโกรธความเกลียดนิสัยใจคอต่างๆ อันนี้มันอยู่ไปกับใจต่อไปบุญกับบาปที่ทําหรือผลของบุญของบาปที่ทํามันก็ติดต่อไปกับใจแล้วมันเป็นตั้งแต่ที่ตอนที่ร่างกายยังไม่เกิดอย่างพวกเราตอนนี้เราอาจจะตรวจตาดูได้ว่าตอนนี้ใจเราเป็นอะไรกันหน่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นเดชะน์เนือเป็นเทวดาถ้าเราไม่ทําบาปเลยและไม่ได้ทําบุญเลยอันนี้เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่ถ้าเราไม่ทำบาปเลยแล้วเราทำบุญด้วยอันนี้เราจะเป็นเทพกันแล้วเราจะเป็นเทวดากันแล้วแล้วถ้าเราไปถือศีลแปดได้ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเข้าฌานได้จิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาใจก็เป็นพรหมขึ้นมาแล้วเป็นรูปประพรหมขึ้นมาถ้าเข้ารูปฌานได้ก็เป็นรูปประพรหม ถ้าเข้าอารูปฌานได้ก็เป็นอรู ป, ประฐมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตลอดเวลาเป็นเฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็กลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็อาจจะเผลอไปทาบาปก็ได้หรือไปทาบุญต่อก็ได้จึงต้องระวังเวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิออกจากสมาธิมาเราก็ต้องระมัดระวังคอยรักษาศีล ต่อไปรักษาศีลห้าศีลแปดต่อไปขึ้นอยู่กับระดับของจิตใจของเราว่าเราต้องการรักษาให้อยู่ในระดับไหนอันนี้แหละคือใจดังที่มีคำสอนที่ทรงตัดไว้ว่ามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเดชะฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นนสุลกายเป็นนรกก็ได้หรือเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยะบุคคลก็ได้ เนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยจิตใจของพวกเราอาจจะมีมีระดับที่ต่างกันบางคนก็เป็นเทพบางคนก็เป็นพรหมบางคนก็เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นนาคามีก็ได้อันนี้คือนเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายแล้วเรื่องของจิตใจที่เป็นสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทําและอยู่ที่การชําระจิตใจของเราบุญกับบาปนี้จะทําให้จิตใจของเรา ถ้าบุญก็ทำให้เราไปเป็นเทพเป็นเป็นเทพเป็นชั้นต่างๆถ้าทำบาปมันก็จะส่งจิตใจให้เราไปเป็นอบายไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกกันส่วนถ้าเราชำระใจได้ชำระกิเลกความโลภความโกรธความหลงชำระกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ ใจของเราก็จะเป็นอริยบุคคลเป็นโสวดาบันเป็นสกิดาคามีเป็นอนาคามีเป็นอาหารหันใจของเราถ้าถึงขั้นอรหันใจของเราก็จะเป็นนิพพานไปคือมีแต่ความสุขเต็มร้อยนั่นเองแต่ยังขั้นอื่นนี้ยังมีสุขผสมทุกข์อยู่เพราะโสวดาบันนี้ก็ยังมีความทุกข์อยู่มีพระสกิดาคาก็ยังมีความทุกข์อยู่พระอนาคาก็ยังมีความทุกข์อยู่ แต่ทุกน้อยมากน้อยลงไปตามลําดับนี้จนพอถึงขั้นพระอาหารหันนี้ความทุกข์ในใจหายไปหมดเลยเพราะได้ชําระเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ mm hmm. ก็คือกิกเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆนี่เอ ต, ตัวที่สร้า ง, างความเศร้าสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจก็คือกิเลสตัณหาที่จะได้รับการกําจัดจากการบําเพ็ญวิปัสสนาภาวนา แต่การจะบาเพ็ญวิปัสนาภาวนาได้นี่ต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนต้องผ่านการเป็นพรหมก่อนและการที่จะมาเป็นพรหมได้ก็ต้องผ่านการเป็นเทพก่อนต้องรักษาศีลแล้วก็ทําบุญทําทานสาะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีไปผู้ที่ต้องการเป็นพรหมนี้จะไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขกันจะไม่ไปเที่ยวไปกินไปดืม่ม ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรากันแต่จะหาความสุขจากการไปอยู่ปลีกวิเวกหาที่สงบทําใจให้สงบด้วยสติด้วยการใช้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเมื่อหาความสุขด้วยสติแล้วก็ไม่มีคมจำจําเป็นที่จะต้องมีสตางหรือหาสตางมีสตางที่หลงเหลืออยู่ที่ไม่ได้ใช้ก็จะเอาไปทําบุญก็ต้องไป ทำบุญก่อนสละเงินทองเข้าของต่างๆไปก็จะได้เป็นเทพจากเทพก็จะได้ขึ้นไปเป็นพรมได้อย่างง่ายดายต่อไปจะได้มีเวลาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเข้าอารูปเข้าสู่รูปประชานเข้าสู่อารูปประชานเพื่อจะได้เป็นรูปประรมและอารูปประพรมและจิตที่เข้าฌานได้จิตจะเป็นจิตที่สงบจิตที่ เป็นอุเบกขาจิตที่ไม่มีความรักชังกลัวหลงแต่ก็ไม่ได้หายไปหมดเพียงแต่ว่ามันไม่แสดงอาการเหมือนกับจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธินี้ความรักชังกลัวหลงจะออกมาเพ่นพ่านแต่พอได้สมาธิแล้วมันจะถูกกำลังของสมาธิกดไวแต่ไม่ตายเวลาที่กำลังของสมาธิอ่อนลงนี้ความรักชังกลัวหลงนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ แล้วถ้าต้องการที่จะกำจัดความรักชังกลัวหลงให้หมดไปถึงต้องใช้ขั้นวิปัสสน า, านขั้นปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้เมื่อเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งต่างๆมันก็จะหายไป อันนี้ต้องผ่านขั้ น, นสมาธิก่อนจิตถึงจะมีกำลังที่จะเห็นว่าความรักชังกลัวหลงนี้เป็นอย่างไรและจะกําจัดมันได้โดยวิธีใดก็จะต้องใช้วิปัสสนาคือปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะเวลาที่จิตมีสมาธินี้จิตเห็นเวลาเห็นสิ่งต่างๆจะรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่ชงัง เห็นของสวยๆงามๆก็ไม่อยากได้เห็นของน่าเกียดน่ากลัวก็ไม่ชังเฉยๆเพราะจิตมีวิเบคาแต่ถ้าจิตอ่อนลงสมาธิอ่อนลงความรักชังมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความรักชังหายไปนี้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะหายไปได้อย่างถาวรถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยง ของสวยก็ไม่เทีย่ยงของไม่สวยก็ไม่เทีย่ยงมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากจะควบคุมบังคับมันเราก็จะทุกข์กันอยากให้ของที่สวยอยู่กับเราไปนานๆพอมันไม่อยู่หรือพอมันเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเห็นของที่เราไม่ชอบ ก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะมาก็มาเช่นสิวฟ้าบนใบหน้าวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาจะไปไล่มันยังไงมันก็ไม่ไปก็ทุกข์เครียดกับมันเห็นเห็นสิวฟ้าเม็ดเดียวเนี่ย ก, กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียด แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะมาก็ต้องอยู่กับมันไปรอเวลาเท่านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหายไปไม่มีอะไรอยู่คุ้มฟ้าพูดมยังไงใจของเราก็จะได้ไม่วุ่นวายใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมด ถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถกําจัดความรักชังโกหลงที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้นี่แหละคือใจของพระอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้าปราศจากความรักชังโกหลงตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตลอดเวลาไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้กับอะไรก็เป็นเหมือนกับหยดน้ําบนใบบัวใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนใบบัว เวลาน้ําหยดลงใบบนใบบัวมันมันดูดซึมกันข้อหากันรึเปล่ามันไม่ใชนะ่น้ําก็กิ้งไปกิ้งมาแต่ใจของปุถุชนที่มีรากที่มีความลากชังกลัวหลงนี้เป็นยังไงเป็นเหมือนกระดาษซึมกับน้ําหยดน้ํําานนนกระดดษซึม้้องหยาลงไปบนกระดาษซับกระดาษซึมดูมันดูดเข้าหากันเป็นเนื้อเดียวกันเล ย, ยใจของปุถุชน พอเห็นอะไรปั๊บมันจะรักชังกลัวหลงขึ้นมาทันทีแล้วก็ทุกขุ่นวายไปกับมันทันทีแต่ใจของผู้ที่มีปัญญาที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักษณ์นี้จะไม่มีการดูดซึมเข้าหากันสัมผัสกันได้รับรู้กันได้พระพุทธเจ้าป้าหลานก็ยังสัมผัสกับการเจริญการเสื่อมของราบยศสารเสริญสุดอยู่มีคนถวายปัจจัยแล้วก็เอาปัจจัยนี้ไปแจกไปบริจาค เวลาได้มาก็เป็นการจเจริญรากพอไปแจกไปบรอิอจาคมันก็กลายเป็นการเสื่อมรากไปแต่ใจชั่งเท่าเดิมไม่ได้ดีใจตอนที่ได้มาไม่ได้เสียดายเสียใจตอนที่ให้ไปเวลาใครให้ตำแหน่งอะไรก็รับไว้เวลาใครเขาจะปลดเขาจะเปลี่ยนก็ก็เฉยเฉยไปเพราะรู้ว่ามันเป็นการเล่นละครเท่านั้นเองเขาตั้งเราเขาตั้งเราได้เขาก็าปลดเราได้ เราไปห้ามเขาไม่ได้ก็ไม่ยินดีบางทีเราก็ห้ามเขาตั้งไม่ได้เช่นเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเยเขาตั้งให้เราเป็นสังฆราชขึ้นมาเราจะทําไงเอาไปปฏิเสธเดี๋ยวก็ไปทําให้พระเจ้าแผ่นดินโกรธยิ่งเป็นเรื่องเป็นยาวใหญ่ก็ปล่อยเขาตั้งไปเขาตั้งรับไปยังมีเรื่องของสังฆราชรูปหนึ่งไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินหรือเปล่าสังฆราชท่านไปรับพัยดยศที่พระราชวังขากลับมาท่านก็ นั่งรถกลับมาถึงวัดท่านก็บอกให้คนขับให้ไปที่ประตูหลังของวัดเพราะว่าที่ประตูหน้ามีประชาชนรอต้อนรับสังฆราชลงใหม่ะแล้วท่านก็ลงจากรถแล้วก็ท่านบอกให้เอาพัยดยนต์นี้ไปลงที่หน้าที่หน้าประตูวัดบอกให้เอาสังฆราชไปแต่ตัวเราเป็นหลวงปู่ขอกลับเข้ากุตินั่นแหละคือสังฆราชที่เป็นผ้าหนละไม่ทราบท่านเคยได้ยินได้ฟังมาหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงมีสังฆราชยุคหนึ่งที่เป็นพาาระอยู่ท่านไม่ยึดไม่ติดกับตําแหน่งตำแหน่งๆใยของท่านไม่ได้ยินดีนร้ายแต่ท่านก็ปฏิเสธไปได้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีศรัทธามีความปรารถนาที่อยากจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นสังฆราชท่านก็ต้องรับแต่ท่านก็ไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจเวลาที่ถูกตกรธหรืออะไร เพราะเป็นเรื่องเรื่องของโลกเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาท่านพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะแล้วก็ต้องเสือ่อมเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันมาปล่อยมันไปแล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้ามันมาเราดีใจเราก็จะเดือดร้อน เวลามันจากเราไปเราก็จะเดือดร้อนอันนี่คือจิตของผู้ที่ชำละชำละความโลภความโกรธความหลงหรือชำละความรักชังกลัวหลงนี้ให้หมดไปจากใจด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะหมดไปได้ถ้าใช้สติใช้สมาธินี้มันจะกดไว้ชั่วคราวเป็นเหมือนยาสลบเวลาฉีดยาสลบให้คนไข้คนไข้ก็นอนนิ่งหมอก็ผ่าตัดได้ทำอะไรได้ แต่พอฤิยาสงบหมดนี่คนไทยเริ่มดิ้นแล้วหมอรู้แล้วว่าถ้าจะผ่าต่อนี่ต้องให้ยาให้ยาต่อถึงจะผ่าได้ไม่งั้นเดี๋ยวพอคนไทยรู้สึกตัวมันจะเจ็บแล้วมันจะดินกันอันนี้ก็แบบเดียวกันจิตของวเราเวลาเข้าฌานเข้าสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนฉีดยาสงบให้กับจิตฉีดฉีดให้ความรักฌานโกโลงมันมันหยุดทํางาน แต่ลิตของสมาธิมันก็หมดได้กําลังของสมาธิมันก็หมดได้ถ้าเริ่มรู้ว่าจิตของเราเริ่มมีความรักชงกังโกหลงเกิดแล้วถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เข้าไปในฌานใหม่เพราะเรารู้จักวิธีเข้าแล้วเราเข้าได้เสมอแต่การจะใช้ปัญญานี้เราต้องสอนใจให้มองโลกอีกแก่นึงเราเคยมองโลกว่าเป็นสุขจะเป็นนิจจังสุ ข, ขงังนาตาใช่ไม ส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเราจะเห็นว่าโอ้สุขเป็นอัตตาเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเห็นว่านิจจังนิจจังก็ถาวรสุขขังจะให้ความสุขกับเราอัตตาเป็นของเราแต่ไม่มีอะไรเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรามองไม่เห็นกันเราไม่มองกันมองอะไรเห็นทีไรเห็นว่าสุขทันที เห็นเพชรนึ่งโอ้โหสวยเหลือเกินอยากจะได้ขึ้นมาทันทีน้ําลายไหลเลยเห็นทองคําเห็นอะไรเห็นคอนโดหรูๆสวยๆนี่โอ้อยากได้ขึ้นมาทันทีจะเป็นนิดเป็นนิดแล้วจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเนี่ยบางคนก็ไปผ่อนคอนโดกันแล้วพอตกนาไม่มีเงินผ่อนก็ต้องถูกเขายึดไปอยึดจังก็กลายเป็นอนิจจังไปสุขขังก็กลายเป็นทุกขังไปอ อัตตาเป็นของเราก็กลายเป็นอนัตตาไปไม่ได้เป็นของเราเรามองไม่เห็นความจริงกันเราถึงทุกข์กันวุ่นวายกันเนี่ยทุกวันนี้กังวลเกกับเรื่องผ่อนนู่นผ่อนนี่กันใช่ไหมโอ้ยทําไงวะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงินผ่อนบ้านไม่มีผ่อนรถเราจะทํายังไงไม่มีเงินเขาก็มายึดรถก็ต้องเดินขึ้นรถเมย์ขึ้นแท็กซี่กันไม่มีบ้านก็ต้องหต้องไปเช่าบ้านอยู่คนอยู่ว่ามีกานเช่าหรือเปล่า ไม่มีอาจจะต้องไปอาศัยวัดอยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้นี่เพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นเราจะได้ไม่ประมาทเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าอเป็นของชั่วคราวนะบ้านนี้เราอยู่คอนโดที่เราผ่อนอยู่นี่อาจจะผ่อนไม่หมดก็ได้นะอาจจะตกงานไม่มีเงินผ่อนเราก็ต้องมีแผนสองจะไปอยู่ที่ไหนต่อเนี่ยต้องมีการวางแผนเตรียมไว้ก่อน เผื่อเวลามันกอดพลาดขึ้นมาเรายางน้อยอยังจะได้มีที่ไปต่อได้นี่คือเรื่องของคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะไม่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นนิจจังสุขขงังนั้นอัตตาจะมองเสมอว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขงังนั้นนตาเนี่ยกุฏิที่เราอยู่นี่มันก็เป็นอนิจจังทุกขงังนัต้ตาวันใดวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ได้อาจจะถูกขับไล่ไปอยู่ที่อื่น หรืออยากหรืออาจจะไปเองก็ได้ไม่มีใครรู้แต่มันไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปยึดอย่าไปติดแล้วมันจะไม่มีความทุกข์เมื่อก่อนที่อยู่บนเขาไหมก็ไม่เลยไปยึดว่าต้องเป็นอันนี้เป็นของเราอยู่บนเขาได้ก็อยู่พ อ, อมันอยู่ไม่ได้ก็ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างแทนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนี่คือการกำจัดความรักชังกลัวหลง ต่อไปเห็นอะไรก็เฉยเฉยเห็นว่ามันเป็นอนนี้จังไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเราจะไปหวังอะไรกับมันได้ใช่ไหมมันดีคึนดีมันก็ จ, จะหมดไปได้พอมันหมดถ้าเราไปหวังเราก็จะผิดหวังเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่หวังเรารู้ล่วงหน้าแล้วพอมันเป็นก็บอกกูรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ก็มีแผนสองต่อไปไหนต่อดีก็วางแผนไว้ก่อนนะ วางไว้หลายๆายแผนก็ดีมีทางเลือกหลายๆทายทางจะได้แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็ยอมตายเพราะใ น, ในที่สุดมันก็ต้องไปตรงจุดนี้แหละทางเลือกสุดท้ายก็คือยอมตายแต่ไม่ฆ่าตัวตายยอมอดตายยอมนอนอยู่ในป่ายอมนอนข้างถนนยอมนอนใต้สะพานถ้าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีคอนโดอยู่นอนใต้สะพานก็ได้ว่านอนวัดก็ได้ ถ้ารู้จักหลวงพี่หลวงพ่อที่เมตตาก็ไปขออยู่อาศัยวัดไปทํางานให้กับวัดก็ได้อยู่วัดก็อยากขี้เกียจท่านนั้นน่ะท่านก็ยินดีให้อยู่แต่ถ้าไปอยู่เพื่อไปกินไปนอนอย่างเดียวท่านก็อาจจะให้อยู่แค่วันสองวันแล้วก็เฉยกลับเดินไปที่อื่นต่อแต่ถ้าอยู่วัดแล้วทําคุณทําประโยชน์ให้กับวัดนะอย่างน้อยก็ช่วยล้างห้องส่วมให้มันสะอาดนี้เขาก็ให้อยู่ละเพราะใครๆก็ชอบห้องส่วมที่สะอาดใช่ไหมแล้วมีคนมาคอยคอยดูแลซ่อม ทำการสะอาดห้องซ่วมอยู่เรื่อยๆรับประกันได้เขายินดีให้อยู่เราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรขอที่อยู่แล้วก็ขอข้าวที่เหลือจากพระกินเท่านั้นเองไม่เลือกมีอะไรก็กินได้อยู่แบบหมาเนี่ยถ้าอยู่แบบหมานี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ไม่มีใครเข้าลัางเกียจคนเราต้องมองถึงทางเลือกสุดท้ายเพราะเราไม่มีใครรู้ว่าจะตกอับขนาดไหนวันดีขึ้นดีมันอาจจะตงอับ ถ้าเรามีทางเลือกอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าเราไม่ต้องฆ่าตัวตายกันที่ฆ่าตัวตายกันเพราะไม่ไม่ยอมรับทางเลือกสุดท้ายนี่ก็ไปเลือกเข้าไปฆ่าตัวตายมันก็เหมือนกันชั่วอยู่แบบตามมีตามเกิดไม่ดีกว่าให้มันตายมันเองดีกว่าเพราะการฆ่าตัวตายไม่เป็นการแก้ปัญหามันเป็นการสร้างปัญหาให้ยืดเยือ้อเพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปพบหน้าชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ พอมาเจอปัญหาแบบเดิมก็จะคิดฆ่าตัวตายแล้วบางทีฆ่าตัวตายตั้งแต่เยาว์วัยก็มีคนบางคนนี่อายุไม่เท่าไหร่ก็ฆ่าตัวตายเพราะรับกับความทุกข์ของตัวเองไม่ได้รับกับสภาพของตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้ารู้จักรู้จักสอนตัวเองให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยักอย่าไปรักอย่าไปอย า, ไปยากได้ อายินดีตามมีตางเกิดได้ก็โอเคถ้าไม่ได้มันจะมันจะหายไปจะจากเราไปก็ไม่เป็นไรมันไม่มีเราก็อยู่ได้ไม่มีอะไรมันก็อยู่ได้อย่างมากก็ก็ตายถ้าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีลมหายใจแค่มันก็แค่ตายเท่านั้นแต่ตายแบบธรรมชาตินี่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันไม่ได้เป็นวิธีที่จะมันจะเป็นวิธีที่จะไม่ได้ทำให้เราต้องไปแก้ปัญหาแบบฆแบบ่าตัวตายกัน ถ้าเราอยอมตายได้ใจเราจะตายอย่างสงบตายอย่างสบายแต่ถ้าเราฆ่าตัวตายนี้เราจะฆ่าเราจะตายอย่างทุกทรมานอย่างยิ่งแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปอย่างที่มีคำพูดว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วนี้ต้องไปฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติเพราะมันเป็นวิธีที่เราติดมาพอมีปัญหาหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายแล้วพอไปเกิดใหม่ไปเจอปัญหาอีก หาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายมันก็จะติดอยู่ในวัฏวัฏจักอันอุบาทนี้ไม่มีทางออกฆ่าตัวตายจิตก็ตกนรกไปตายไปก็ไปตกนรกพอพ้อนจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้นานเจอปัญหาแก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายมันก็จะวนอยู่ในนี้จนกว่าจะมาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าทําใจเถิดทําใจว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดหรออาจอยู่กับมันไปสุขทุกข์มันหมุนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้เราก็ควรจะอยู่กับสุขทุกข์ได้มันเหมือนกันมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันถ้าเราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศเราก็ไม่ควรจะทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับตัวเรามองมันว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไป มาฝึกสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาให้มีความสงบแล้วความสงบนี้จะทำให้เรารับกับสภาพทุกสภาพได้ยังไม่เดือดร้อน<ม>นี่คือเรื่องที่พูะเจ้าทรงนำเามาสอนพวกเราและได้เอามาถ่ายทอดให้ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตจินนางเปตานังอุปการปฏิอ an ิชิตังปั um ิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุส so ังกปาจันโทปนาราโสยาถามณนิโชติ ปาราโสยาตัสพภ i ติโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายอสุขีทิขายุโกภวาอภิวัฒนสีริสะนิจังวัฏปจายโนจตารูธรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็เข้ามาถามที่นี่เองก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะเข้ามาอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือมีเข้าเพจได้ก็ส่งข้อความผ่านทางเพจก็ได้มีหลายช่องทางด้วยกัน วันนี้ผู้ที่ติดตามรับชมรับฟัง ม, มีเท่าไหร่กรบนรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดทางเฟ e b o o กมี500ท่านเจ้าค่ะ y o ย t u b บ265ท่านของด r V c h a n ร e l มี174ท่านเจ้าค่ะวิทยุออนไลน์8ท่านครับเฮาส15ท่าน ผู้รับฟังหน้าคุติหนึ่งร้อยสิบท่านรวมเป็นหนึ่งร้อยแปดิบเอ็ดท่านเจ้าค่ะหนึ100่ง้อยห0ึ1ันแดสิบเอ็ดท่านเจ้าค่ะ <laughs> บวกไม่เป็นนะ <laughs> ไม่อนี <laughs> ท่ทําทำการค้าก็เจ๊งอา้าวถามได้เลยเจ้าค่ะน้ัส ก, การค่ะหลวงพ่อมีคำถามฝากถามมาเจ้าค่ะ เขาบอกว่าเขาทําบุญทุกครั้งเขานึกถึงแต่หน้าหลวงพ่อแต่เวลาเข า, เขาเป็นคนที่ใส่บาตรทุกวันแล้วเขาเจอพระที่กินเหล้าเขาจะไม่ใส่บาตรพระองค์นั้นแล้วแล้วแต่เขาก็สงสารเนนที่ตามมาด้วยเขาจะทํายังไงต่อดีเจ้าคะ่ะถ้าสงสารเนรก็ใส่ไปเถอะก็ใส่เพื่อเนรก็แล้วกันส่วนพระก็เรื่องของเขาไปเขาก็ ก็ถือว่าไม่เป็นไรแหละเราแล้ไม่ได้ใส่เพื่อเขาเราแต่ก็ไม่ให้เสียมายาดเวลาใส่เขาก็ใส่น้อยๆหน่อ ย, อยก <c oughs> <บ>็แล้วัเจ้าค่ะตอนนี้เขาคงรับฟังอยู่เจ้าค่ะขอบพระคุณเวล า, าใส่เองก็ใส่เยอะ ๆ, ๆเอาให้ให้ตามตามความดีความชอบไงถ้าดีก็ให้มากถ้าไม่ดีก็ให้น้อยไม่เสียหายแต่ก็ให้เพื่อไม่ให้เสียหน้าน มีคําถามจาก facebook นะเจ้าคะจากคุณนันทพัชเจ้าคะ่ะรบกวนขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะพระโสดาบันถ้ามีคนมาต่อว่ายังมีความรู้สึกอยู่ไหมเจ้าคะ่าจะมีอยู่นะพระอาจานย์ก็ยังมีความโกรธอยู่อาจานก็ยังมีมีความท้ลทได้แต่เพียงแต่เรื่องของ อัตตาตัวตนในร่างกายอยาจจะโกรธน้อยน้อยกว่าคนธรรมดาแต่ก็ยังโกรธได้ต้องมีพระอาหารเทนั้นที่ละความโกรธได้อย่างเต็มที่คำถามจาก YouTube ค่ะกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเราทำบุญทางออนไลน์กลับไปทำบุญที่วัดจะได้บุญเท่ากันไหมเจ้าค่ะ เท่ากันอยู่ที่ปริมาณของการทำทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากคำถามจาก facebook ค, ค่ะนมัสการพระอาจารย์ครับรบกวนสอบถามข้อธรรมเรื่องจิตครับจิตดวงนี้มีเกิดดับไหมครับเนื่องจากเคยฟังพุทธวจนะบอกว่าจิตมีเกิดดับแต่เคยฟังเทศจากอาจารย์มหาบัว บอกว่าจิตดวงนี้ไม่เคยตายที่ถูกต้องคืออย่างไรครับคือคมว่าจิตมันมีสองความหมายจิตที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไม่มีวันตายผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ตายแต่จิตที่เป็นอารมณ์นี่มีเกิดดับเกิดดับจิตที่โกรธจิตที่โลภนี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงนี่เกิดดับเกิดดับแต่ตัวจิตเองผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันดับ คำถามต่อไปสาคุณทิ ต, ทติทิติยาสอบถามเจ้าค่ะความรู้สึกตอนนี้หลังจากได้ปฏิบัติมาในการทดลองอดอาหารและบวชใจในวันหยุดสองวันสิ่งที่ได้เห็นคือสิ่งแวดล้อมภายนอกและสภาวะจิตในร่างกายของเราเองและรบกับกิเลส เหมือนกับเราใส่ชุดตัวการ์ตูนขยับตัวให้คนเห็นมีความสุขถึงแม้ใส่ชุดร้อนแต่ทนไหวเจ้าค่ะแค่การดื่มเพียงแค่น้ำเปล่าร่างกายก็อยู่ได้เจ้าค่ะและการนั่งสมาธิตัวหนูเองไม่เห็นอะไรเลยว่าหมดเลยเจ้าค่ะทําอะไรเหมือนตัวเราเองเป็นเพื่อนในการรบกิเลสในใจหนูคิดถูกไหมเจ้าค่ะถูกก็แหะ งานของเราคือการทำลายกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเวลาโลภ ก, ก็ต้องอย่าไปโลภตามเวลาโกรัวก็อย่าไปโกรธตามดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ดับก็หาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการไม่เห็นไตรลักษณ์นี่เองถ้าเห็นสิ่งที่เราโลภเราโกรัวว่าเป็นไตรลักษณ์มันก็จะหายไป คำถามจากด็เรบีชาแนลจากคุณดวงใจดิฉันอยู่ในชุมชนซึ่งมีคนใส่บาตรเยอะมากดิฉันจึงคิดว่ามันเหลือเฟือแล้วจึงตั้งใจทำบุญทางโรงพยาบาลส่์ของหลวงตามหาบัวแทนอย่างนี้คิดถูกหรือผิดเจ้าคะแต่ก็จะใส่บาตรทุกวันพระคะ่ะก็ดูที่อารที่ทางวัดเขาได้รับ ว, ว่าเขาไปทำอะไรต่อ ถ้าเขาไปแจกจ่ายคนยากคนจนก็ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอย่างที่เราบินฑบาทเนี่ยพอบิณฑบาทเสร็จตอนเช้าก็มีชาวบ้านมายืนเข้าแถวมารับเลยก็ดีเราจะได้ไม่ต้องขนถ่ายมากลับมาที่วัดขนมาวัดก็เามาแจกที่วัดนี่ตอนนี้มีคนเดือดร้อนตกงานกันเยอะเขาก็มาขออาหารกันตอนนั้นก็มาขอคนสองคนสองสามคน แล้วก็มันก็ข่าวมันก็แพร่ไปกระจายไปเดีย๋ยวนี้วันละสี่หสิบคนไม่บางทีก็ไม่รู้เท่าไหร่ถึงน้อยก็มีเขาก็แล้วก็มียาติยมผู้อื่นก็มาร่วมด้วยมาทำทานใส่บาตรแล้วก็ทำทานด้วยใส่บาตรให้กับพระแล้วก็ซื้อของแห้งมาแจากทานซื้อข้าวสารมามา่าปลากระป๋องอะไรอย่างนี้มาทำทานต่อก็ทุกคนนะมี มีร่างกายก็ต้องกินเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพระหรือของของไขรนะแต่จะแบ่งไปทำที่อื่นก็ได้ถ้าที่อื่นเขาขาดแคลนเช่นโรงพยาบาลนี่ก็มีไว้สำหรับรักษาร่างกายเหมือนกันเป็นปัจจัยสีนะ่อาหารที่อยู่เครื่องนมผมยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพนั้นทำไมว่าที่ไหนถ้าเขาขาดแคลนก็ไปช่วยเหลือกันได้ถ้าที่ไหนมันเลือเฟือ แล้วเขาเอาไปทิ้งอย่างนี้ก็ไม่น่าจะไปทำแล้วได้อาหารมาแล้วก็บางทีก็หวงไม่อยากจะให้คนอื่นเก็บไว้เก็บไว้ก็เน่าเสียถ้าอย่างนี้ก็ก็อย่าไปทำดีกว่เพราะมันมากเกินไปไปทำที่เขาขาดแคลนจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่บุญเท่ากันเราทำที่ไหนเราเสียสละเท่าไหร่แล้วก็ได้เท่านั้นเหมือนกันยังไม่มีคาถามเข้ามาจ้าค่ะ อันนี้คำถามน้อยน ะ, ะมาแล้วเ้าค่ะคำถามจากคุณเอกชยัยการที่เรานั่งเฝ้ามองดูความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่เอาความคิดนั้นไปเป็นอารมณ์หรือไปปรุงแต่งถือเป็นการเจริญสติไหมครับก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้ายังหยุดมันไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นการเจริญสติที่แท้จริง มีสติเราต้องหยุดความคิดเพราะความคิดส่วนใหญ่มันเป็นภัยอันตรายต่อจิตใจเพราะมันจะคิดไปทางโลกทางโกดางหลงนั่นเองแต่ถ้ามันคิดไปทางปัญญาคิดว่าเป็นไตรลักษณ์นี่ก็ปล่อยมันคิดได้เห็นอะไรไม่ว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่อันนี้จะให้เราจะให้ความทุกข์กับเราถ้าคิดแบบนี้คิดไปได้ทั้งวั น, นไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปคิดว่าอันนั้นสวยอันนี้สวยอันนี้น่ารักอยากจะได้ พอไม่ได้แล้วก็เสียใจอย่างนี้ก็อย่าให้มันคิดต้องพลิกความคิดทันทีพลิกให้มันเป็นปัญญาอย่าให้มันเป็นอวิชชาอาวิชชาจะคิดว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาปัญญาต้องพลิกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังไปถ้ายัางคิดไม่ได้ก็หยุดมันก่อนใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่กันก่อนพราะยิ่งคิดแล้วมันยิ่งอยากไม่ใช่ไะใช่ไหนะเดี๋ยวมันก็ทนได้ไหวความอยากเหมือนไฟ ตอนต้นก็เป็นแค่ไฟไม่ขีดก้านเดียวแต่ถ้าปล่อยให้มันลุกเดี๋ยวมันก็ลุกเผาบ้าน mm hmm. เผาหัวใจได้พอเผาหัวใจได้มันก็เลยต้องไปไปไประบายถ้าโกรธใครก็ไปฆ่าก็เลย mm hmm. ถ้าโลค ก, ก็ต้องไปแย่ง mm hmm. เขาไปหะไปเอามาให้ได้ mm hmm. แต่ถ้าเรารู้ทันทีว่า น, นี่โรคนะ น, นี่โกรธนะใช้พุโทโธพุโทโธหยุดนก่อนมันก็จะไม่บานปลายเขาจะตัดไฟแตะเสียแตะต้นลง ถ้าปล่อยให้ไฟมันลุกไปเรื่อยๆเดี่ยมันจะกลายเป็นไฟใหญ่ดงนั้นเราไม่เราไม่ปล่อยให้ความคิดคิดเราต้องหยุดมันโดยเฉพาะความคิดที่ไปในทางของกิเลสนี้ต้องหยุดมันทันทีถ้าหยุดด้วยสติไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธช่วยพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวนอิต e ิปิโสไปแล้วความคิดเหล่านั้นก็จะถูกระงับไปชั่วคราวแต่ถ้าเราเผลอมันก็กลับมาใหม่ได้ ถ้าอยากจะให้มันหายไปก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดแบบนั้นคำถามจากคุณจันนิพาขอกราบเรียนถามค่ะเวลาถวายปัจจัยแล้วแข่งนชื่อคนในครอบครัวในใบประมรณา จะได้บุญด้วยกันทุกคนไหมคะไม่ต้องไม่ได้ออกเงินทุกคนคะ่ะก็ต้องออกเงินก็ต้องก็ต้องสั่งออกมาว่าอันนี้ฝากเงินทำบุญหน่อยนะแล้วต้องเป็นเงินของเขาแต่ถ้าเป็นเงินของเราเราเขียนชื่อคนร้อยคนเขาไม่รู้เรื่องจากการทำบุญของเราเขาไม่ได้บุญบุญต้องเกิดจากการมีความตั้งใจที่จะเสียสละแล้วต้องเป็นของที่เป็นของเราไปถึงจะได้บุญ ถามจากดรวีชาแนลค่ะหากสามารถเข้าไปในฌานได้แล้วจําเป็นต้องออกมาดูลมหายใจข้างนอกอีกหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายประโยชน์ของการแชร่อยู่ในฌานกับการฝึกสติกับการเฝ้ามองลมหายใจคือการฝึกสติดูลมหายใจนี้เป็นการดึงใจให้เข้าไปในฌานพอเข้าไปในฌานแล้วมันก็เจอความสุข เวลาอยู่นอกชานก็เหมือนอยู่ข้างนอกห้องเวลาเข้าไปในห้องในชานก็เข้าไปในห้องแอร์พอเข้าห้องแอร์แล้วไม่ไไม่อยากจะออกมาข้างนอกเพราะข้างนอกมันร้อนร้อนด้วยไฟแห่งความโลภว่าร้อนด้วยไฟแห่งความโกรธร้อนด้วยไฟแห่งความหลเนั้นเวลาใครเข้าฌานแล้วจะอยากจะอยู่ในนั้นนานอันนานเหมือนคนที่เข้าห้องแอร์พอเข้าห้องแอร์แล้วถ้าไม่มีความจําเป็นไม่อยากจะออกมาข้างนอกเลย เราเฉพาะช่วงฤดูร้อนนี่มันร้ อ, ยอยนสันใหใจเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายนี่แหละเหมือนต้องการความเย็นแล้วที่สิ่งที่จะทำให้ใจเย็นก็คือฌานสมาธิแต่เราจะเข้าฌานเข้าสมาธิได้เราต้องมีสติคอยหยุดความคิดแล้วสิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องเป็นที่ตั้งสติก็คือลมหายใจเข้าออกให้ดูลมหายใจเข้าออกไป แล้วใจก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอไม่ได้คิดปั๊บเดี๋ยวมันก็หยุดคิดแล้วใจก็จะเย็นสบายสแสดงว่าได้เข้าฌานแล้วได้เข้าสู่ความสงบแล้วพอเข้าไปแล้วก็อย่ารีบรออกมาความจริงถ้าเข้าจริงๆแล้วมันไม่อยากจะออกมาถ้าเคยเข้านะถ้าเห็นความสงบความสุขที่ได้ก็มันจะไม่ออกมามันอยากจะอยู่นานๆพอมันออกมาก็จะเสียดายก็อยากจะกลับเข้าไปใหม่ เบื้องต้นนี่จะไม่สนใจเรื่องปัญญาสนใจเรื่องฌานอย่างเดียวอยากจะให้มันอยู่ในฌานนานๆให้มันสงบนานๆเพราะมันเป็นความสุขจนกว่าจะรู้ว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวต่อให้อยู่ได้นานทัก ง, งหลมันก็ต้องออกมาออกมาจากห้องแอร์พอออกมาจากห้องแอร์ป้ามันก็เริ่มร้อนร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธเห็นอะไรก็โลภขึ้นมาโกรธขึ้นมาทีนี้ถึงจะเห็นคุณของการเจริญปัญญา เพราะปัญญาจะสอนให้เราปล่อยวางสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราโลภเรารักเราชังนั้นเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอย่าไปยุ่งกับมันยุ่งกับมันแล้วจะทำให้จเรยิ่งทุกข์มากขึ้นอ่อันนี้ต้องถึงขั้นนั้นถึงจะไปเจริญปัญญาแต่ขั้นเริ่มแรกนี้ใครได้สมาธิแล้วจะติดสมาธิกันก่อนเพราะมันไม่มีความสุขอะไรเหมือนกับความสุขที่ได้จากสมาธิแต่มันรู้ว่าต่อไปมัน มันรู้ว่าอ๋อมันถึงแม้จะเป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรทีนี้อยากจะได้ความสุขที่ถาวรก็ถึงจะเข้าใจว่าอ๋อต้องใช้ปัญญาไนดะ้ปัญญาคอยคาจัดความโลภความโกรธความหลงที่สร้างความร้อนให้กับใจเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้พิจ า, ารณาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าชอบร่างกายว่าสวยว่า ง, งามก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอสุภะน่าเกลียด ถ้าชอบมาหารก็ต้อพิจารณาว่ามันเป็นปฏิกูลของสก ป, ปกเข้าไปในปากแล้วไม่น่าดูเลยใช่ไหมเวลาเคี้ยวผสมกับน้ำลายถ้าคายออกมานี่ปากกลับเข้าไปกินใหม่ได้ไหมอยากจะกลับก็กินใหม่ไหมอันนี้ต้องเห็นปฏิกูลเพื่อระับความโลภความอยากเช่นเดียวกับร่างกายแต่เห็นข้างนอกเขาแต่งเนือ้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําเผวทํ า, ท า, า, ทาผมเห็นแล้วก็โอ้โสวยงามยังนางฟ้าเทวดา แต่พอเป็นหมอผ่าตัดผ่าเข้าไปข้างในโอ้ยมีแต่ตับไตไส้พุงมีแต่ลำไส้มีแต่โครงกระดูกเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้ความโลภความอยากได้มันหยุดไปได้แล้วไฟที่ทําให้เกิดความร้อนใจก็จะหายไปวเวลาเกิดความโลภความอยากนี้ใจร้อนได้เย็นที่กลับว่ากันเร็วๆนี่เรพรานะอะไรเพราะอยากใช่ไหมอยากให้ไปถึงที่นั่นเร็วๆจะได้ไปทํานู่นทํานี่ได้ ก็เลยร้อนขับกันแบบเป็นบ้าเป็นบอกรักนแล้วเดี๋ยวก็ไปตีกันลุนท้องถนนใช่ไหมปาดหน้าซ้ายขวากันด่ากันไปบางคนร้อนมากมากก็ควักปืนออกมายิงกันเลยเ <laughs> นี่ยเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเท่านั้นเองใจร้อนคําถามต่อไปจากคุณลนผ้าคลุมผมภาวนาโดยใช้บริกรรมคุตโต บริกรรมจนพุทโธทหายไปก็รู้ว่างๆอยู่แบบนี้ทํำยังไงต่อครับมันหายไปเพราะเราหยุดหรือเปล่าถ้ามันหายไปเพราะมันมันมันหยุดเองก็อีกอย่างถ้ามันหายไปแล้วมันหยุดก็แสดงว่าจิตมันนิ่งสงบก็ไม่ต้องบริกรรมก็ให้มันสงบไปนานๆแต่ถ้าบริกรรมไปแล้วขี้เกียจหยุดนี้แล้ว เ, เดี๋ยวจิตไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ต้องกลับมาบริกรรมใหม่ ถ้ามันหยุดมันหายไปแล้วไม่มีความคิดก็ไม่ต้องทำอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปพยายามประคับประคองให้มันไม่คิดให้ไปนานๆให้มันนิ่งไปนานๆเท่าที่จะทำได้คำถามต่อไปจากคุณอรารดามีสองคำถามเจ้าค่ะกลับขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะ คำถามข้อที่หนึ่งหนูมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งเต้านมตอนเป็นครั้งแรกก็ยอมรับได้มากไม่ได้กังวลรักษาหายแล้ว ผ่านมา8ปีมะเร็งกระจายไปกระดูกรักษาด้วยเคยมีบำบัด ต, ต่อแต่ทนต่อยาไม่ไหวร่างกายภายนอกไม่ดำจากยาและการรักษาด้วยยาก็ไม่อยากรักษาแล้วเพราะให้ยาแล้วทรมานต่อร่างกายเพื่อนเลยขอยุติการรักษาจะปล่อยร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติยอมรับได้ปล่อยวางร่างกายได้จิตใจเบิกบานไม่เสียใจไม่ได้กลัตายยอมตายได้ เป็นลูกคนเดียวสั่งเสียพ่อแม่ทุกคนไว้แล้ว ที่ผ่านมาก็มีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างและก็มีท่องเที่ยวมีความสุขตอนนี้พร้อมตายทุกเมื่อจิตใจตอนนี้มีความสุขร่างกายเป็นอย่างไรก็ช่างมันไม่ยึดไม่ห่วงพ่อแม่หรือใครๆแล้วกรณีเพื่อนคนนี้ถือว่าจิตเข้าสู่พระโสดาบันได้ไหมคะเพราะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเห็นว่าจิตและร่างกายเป็นคนละส่วนกันเจ้าค่ะปล่อยวางร่างกายได้เจ้าค่ะได้นี่คือลักษณะของพระโสดาบัน ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บท่านยอมรับสภาพความเป็นจริงอานที่จังทุกขังอนัตตาของร่างกายได้ท่านเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟที่แปรปรวนไปตามสภาพเมื่อถึงเวลาท่านมันจะแตกก็ไม่มีใครห้ามมันได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามสภาพไปทรมาน ก, กับการรักษาไปกระทุกไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจิตใจของสายเบิกบานยอมรับกับความ เจ็บความตายได้ก็ถือว่าเป็นพระโสดาบันได้อันนี้แหละเราจะรู้ข้อสอบก็ต่อเมื่อเจอเหตุการณ์จริงตอนนี้พวกเราก็พูดแล้วทำได้ทําได้แต่พอไปเจอข้อจริงๆแล้วตัดสินใจแบบเขาได้หรือเปล่า น, นั้นแหละคือข้อสอบต้องมีเหตุการณ์จริงมาทดสอบคําถามข้อที่สองจากคุณอราดากรณีเพื่อนสนิทของหนูสองคนเป็นคนขี้โมโหทั้งคู่ เจอกันก็ชอบขัดแย้งและทะเลาะกันเป็นประจำและเพื่อนก็ไม่ยอมกันทั้งคู่และก็เอาเรื่องมาฟ้องหนูมาบ่นให้ฟังหนูก็รู้ว่าเรื่องมันน่าเบื่อเป็นอกุศลใจหนูก็ไม่อยากฟังเห็นกิเลสเพื่อนฟัดกันเห็นกิเลสความไม่อยากของตัวเองแต่หนูก็อดทนฟังเพื่อนบ่นไปหนูนึกถึงหลวงพ่อสอนไว้เจ้าค่ะว่าให้ยอมหยุดเย็นอุเบกขาไว้ต่อไปถ้าเพื่อนบ่นเรื่อยๆเราจะหนีไปเลย ไม่ฟังเพราะจิตเป็นพิษหรือจะอยู่ฟังเพื่อนบน่นเพื่อทดสอบตัวเองดีเจ้าคาถ้ามีอุบายวิธีทำให้เราไม่ต้องเจอเขาได้ก็ดี<ม>เพราะเมเอาเรื่องแต่ไฟมาให้เราฟังถึงแม้มันไม่เผาใจเรามันก็ยังร้อนอยู่ฟังแล้วลำคาญใจไปเปล่าๆแต่ถ้ามันเป็นความจำเป็นที่ยังต้องรักษาน้ำใจกันก็ทนฟังไปนตาเขาไปคิดว่าเขามีความทุกข์เขาต้องระบาย ก็เป็นที่รับระบายความทุกข์เขาไปก็ช่วยเขาถ้าคิดว่าเป็นการแผ่เมตตาให้กับเขาไปก็อยู่กรณีถ้าเรารู้ว่าเราช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ถ้าเราหลีกได้เรี่ยงได้ก็หลีกไปเรี่ยงไปถ้าหลีกได้หลีกไม่ได้เรี่ยงไม่ได้ก็คิดว่าเป็นการให้ความเมตตากับเขาไปแล้วเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์รู้สึกว่าเราได้ทำได้ทบุญได้แผ่เมตตาให้กับเขา คำถามต่อไปจากคุณกุศลทำไมก่อนนั่งสมาธิจะต้องสวดมนต์ก่อนนั่งเพราะเหตุใดหรือนั่งได้เลยครับคือสติของคนบางคนมันมีนนอะมากไม่มีน้อยต่างกันถ้ามีน้อยให้นั่งเลยมันนั่งไม่ได้เพราะใจมันยังปรุงแต่งคิดเรื่องราวต่างๆอยู่ก็ใช้อุบายของการสวดมนต์แทนแทนที่จะไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาปรุงแต่งกับบทสวดมนต์แทน บทสวนมนตก็จะกล่องใจให้สงบให้มีสติมากขึ้นพอรู้สึกว่าความคิดต่างๆน้อยลงไปแล้วพอจะนั่งสมาธิได้ก็ค่อยนั่งต่อไปแต่ถ้าเรานั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดมนคําถามต่อไปเจ้าค่ะ เวลาลูกโกรธถึงแม้ลูกไม่แสดงอาการต่างๆออกมาทางกริยาแต่ภายในใจมีความไม่พอใจและไม่สงบจะแก้ไขภายในใจของเราได้อย่างไรคะก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธนั่นเองต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้หรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็โกรธขึ้นมา แล้วก็เปลี่ยนใจไปว่าสิ่งต่างๆเราไปอยากไม่ได้เพราะเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้งั้นก็ยอมให้ก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาพอเราไม่หวังอะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาไม่เสียใจไม่ผิดหวังแคมถามต่อไปจากคุณจิรารัตน์การทาบุญให้ผู้ป่วย โดยนำเงินของเขามาจัดใส่ซองซื้อพัตตาหารให้ผู้ป่วยจบเขาจบแล้วจะได้บุญไหมคะวงเล็บจัดการแทนเพราะผู้ป่วยติดเตียงและสัมปะชัญญะไม่สมบูรณ์หลงลืมกราบขอบพระคุณค่ะโอ้ตาเขาไม่สั่งอย่างงี้ไม่ได้บุญเขาต้องเป็นคนสั่งเอเอาเงินนี้ไปทำบุญให้หน่อยนะจะจบไม่จบไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเขาสั่งหรือเปล่ า, าเป็นเงินของเขาหรือเปล่า ถท่านั้นเองทไม่ใช่เงินของเขาแล้วเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บุนหรือเป็นเงินของเขาแต่เขาไม่ได้สั่งเขาก็ไม่ได้บุญเพราะเหมือนกับถูกบงังคับทำบางทีก็ไม่อยากจะทำก็ได้อันนี้ต้องเกิดจากความตั้งใจความยินดีแล้วก็เป็นของของเขาเขาถึงจะได้บุญเพราะเขาจะเกิดความสุขใจอย่างใจขึ้นมาบางทีคมถามต่อไปจากคุณแนนซีกราบนามัสการเจ้าค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ปฏิบัติธรรมบนเขาเป็นวันที่สี่เจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกเวทนาเยอะมากเจ้าค่ะเดินก็ปวดหลังนั่งก็ปวดขาฟุงซ่านรู้สึกท้อแท้มากเจ้าค่ะขอพระอาจารย์โปรดเมตตาสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะเพราะเราไม่มีสติไงเราไปคิดแต่ความเจ็บอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรือให้นั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็เตือนใจสอนใจว่า ถ้าเจ็บแค่นี้เรายังทนไม่ได้ต่อไ ป, ไปเป็นมะเร็งขึ้นมาเราจะทนมันได้หรืตอนนี้เรามีโวกาสได้มาฝึกซ้อมให้เราอยู่กับความเจ็บให้ได้และวิธีที่จะอยู่ความแฉลบเจ็บได้ก็คือใช้สติอย่าไปคิดถึงความเจ็บเวลาเจ็บก็ไม่อย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดินจงกรมก็พุโทโธพุทโธนั่งสมาธิก็พุโทโธพุทโธไปแล้วพอใจเราสงบใจเราจะปล่อยวางเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บ ต้องหัดอยู่กับความเจ็บให้ได้อย่าไปอยากให้ความเจ็บาหายไปอย่ามีความเจ็บไปฝึกให้เราอยู่กับความเจ็บเพราะความเจ็บมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปแต่สิ่งที่เราต้องการคือเบิดขาทำใจให้เราไม่รักไม่ชังกับความเจ็บมันจะเจ็บเราก็ไม่เกลียดมันก็อยู่กับมันได้ น, นี่คือใช้สติใช้พุโทโธพุธโทโธถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาเป็นใจลักไป ได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วเราก็จะไม่ทรามาใจคำถามต่อไปจากดร V วชนมีเงินพอใช้ตลอดชีวิตแล้วแต่มีพี่สาวสองคนเป็นโรคจิตเภทพ่อแม่ตายหมดแล้วถ้าทิ้งพี่สาวให้อยู่กับคนรับจ้างเลี้ยงแล้วเราไปอยู่เงียบๆตามวัดจะถูกไหมคะ ก็ได้ถ้าตามใดมีคนดูแลเขาแทนเราได้ก็ก็ไปได้พร่ mm hmm. อทศเจ้าก็ไปนะไปอยู่เงียบๆไปอยู่ในปา่าทิ้งลูกทิ้งเมียไว้เพราะรู้ว่ามีมคนคอยดูแลอย่างอย่างเต็มที่อยู่แล้วอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ต่างกันอย่างนี้สู้ไปดีกว่าไปแล้วคนเราจะได้ประโยชน์จากการไปอยู่คนเดียวถ้ามูดา อ, อยู่เราดูแ ล, แลเขาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ mm hmm. คำถามต่อไปจากเฟซบุ o กเจ้าค่ะกราบสาทุค่ะสอบถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายมหาสติมหาปัญญาคืออะไรคะและยกตัวอย่างให้ฟังด้วยเจ้าค่ะเธอสตินี่มันมีสองระดับไงสติแบบร่มลุกคุกขุขค่ะสติแบบเด็กกับสติแบบผู้ใหญ่สติแบบเด็กมันก็ยังเอาไปทาอะไรไม่ค่อยได้<ม>เด็กที่ยัง ยังเดินยังเดินอย่างเต็มที่ไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้นี้จะไปทําอะไรก็ไม่ได้เด็กที่ยังล้มลุกคลุกคลาอยู่นี่คือสติของผู้เริ่มปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างเผลอบ้างได้พุโทโธอยู่สองสามครั้งเอาแวะไปคิดถึงขนมนะคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่านี้ก็สติแบบล้มลุกคลุกคลาแต่มหาสตินี่เป็นสติที่ต่อเนื่องตลอดเวลารู้ตัวอยู่กับพุโทโธตลอดเวลาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมหาสติ ถ้ามีมหาสติก็สามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเ น, นื่องก็เป็นมหาปัญญาค่ะคำถามต่อไปจากคุณมินสุดารัตน์ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ โหนฟังธรรมทุกวันแล้วนำมาเจริญสติทุกวันยืนเดินนั่งนอนผลคือสุขสงบมากขึ้นทุกน้อยลงเรื่อยๆจนแทบไม่ทุกยังคงเหลือความเป็นห่วงครอบครัวบ้างแต่ก็ไม่ยุดติดเตรียมใจไว้เสมอว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ยังมีความรู้สึกไม่เข้าใจตุ๊กแกตอนไปอยู่วัดป่า หรือเวลาเดินผ่านถ้าได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องจะหลบค่ะหนูควรฝึกอย่างไรต่อดีคะได้ยินเสียงตุ๊กแกแล้วแล้วทำไมนะ่ะจะจะหลบเนะียน่าจะเขาพิมมาไม่ชัดเจ้าค่ะบอกว่าไม่ไม่อยากได้ยินนี่เดี๋ยวไม่อยากเข้าใกล้กลัวกลัวตุ๊กแกมันก็เป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในจิตของเรามาในอดีตเราเคยชอบเคยเกียดอะไรมันก็ยังฝังอยู่ ก็พิจารณาดูตัวทุกแกอย่างๆหนงตาทัานสอนพิจารณาเสืออย่างเงี้ยกลัวเสือก็พิจารณาดูว่าเสือมันมีอะไรบ้างมันมีขนเราก็มีขนมันมีมันมีเขี้ยวเราก็มีฟันมันมีเล็บเราก็มีเล็บมันมีอะไรก็มีหมดมีอย่างเดียวที่มันมีเราไม่มีมันมีหางเราไม่มีหางอ๋อเรากลัวหางมันเหรอเรากลัวผมหรือเปล่าเราไม่กลัวผมผมเราเราไม่กลัวเราไปกลัวผมมันทำไม พิจารณาแบบนี้ก็พิจารณาตัแกอยู่หรือมันมีอะไรที่เราไม่มี อ, อ๋อมันไม่มีหางเรากลัวหางตกัแก่ คำถามต่อไปจากคุณเอกชยัยการนั่งสมาธิเราสามารถปฏิบัติแบบดูลมหายใจเข้าออกควบคู่ไปกับการ น, นึกคำบุรุษบริกรรมพุทโธไปด้วยได้ไหมครับหรือให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปะปนกันครับอ๋อแล้วแต่ผลว่าอันไหนมันดีกว่ากันง่ายกว่ากันถ้าดูลมอย่างเดียวแล้วพุทโธอย่างเดียวได้ผลดีกว่าเร็วกว่าก็เอาอย่างนั้น แต่ถ้าเอาพุโทโธกับลมปนกันล่อน ด, ดีกว่าก็เอาอย่างนั้นดูเลือกเอาแบบไหนดีกว่าเหมือนกินอาหารอันไหนอร่อยกว่าใช่ไหมกินอันนี้อันนี้เลอเอาสองอย่างมาปนกันชอบอย่างไรก็เอาอย่างนั้นกินเพื่อให้มันอีกคำถามต่อไปจากโยมกระต่ายเจ้าค่ะตอนนี้เรียนตอนนี้สนใจเรียนดูดวงถ้าเราดูดวงให้คนอื่น เข่ากับเราไปยุ่งเรื่องชีวิตเขาเราจะบาปใหม่เจ้าคะให้บาเหรอกท่านดูดวงจริงมันเหมือนกันทุกคนน่ะด ว, วงดวงของพวกเราก็คือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นเห็นต้องไปเรียนเ้ยพระเจ้าสอนเรามาตลอดเวลาว่าพอเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่กันทั้งนั้นนี่แหละคือดวงแท้งของพวกเราไอ้ส่วนอื่นว่าจะรวยนี่จะจนจะได้คนรักนี่ไม่คนรักนี่เป็นของปลอมนั้นนะ่ะปลุกแสงขึ้นมาเป็นละครเมลิเจหลอกเราไปให้ บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่วันนี้ก็ปรงว่าเดี๋ยวหวยออกเลขนั่นออกเลขนี้งั้นเดี๋ยวมันออกก็เปล่าบางทีก็ออกถ้าออกตรงกับที่ก็าทำนายโอ้โดังเลยถ้าไม่ไม่ตรงก็ก็ดับไปทั้งนี้แต่เรื่องของหมอดูหมอเดาพุงดวงเนี่มันไม่มีมันไม่มีจริงหรอกเรื่องจริงก็คือเจ็บแก่เจ็บตายทั้งนี้คําถามต่อไปจากคุณพิมพ์ค่ะพี่ชายหนูทํางานอยู่ร้านร้านหนึ่ง ป้าคนข้างบ้านเจ้านายพี่ชายว่าวันนี้ไม่มีข้าวกินเจ้าของร้านบอกว่าเธอใจบุญทำไมไม่ให้เขากินอยากทราบคำตอบว่าเจ้านายแบบนี้เป็นคนแบบไหนแต่ป้าคนข้างบ้านเขาให้กินแต่เขารองใจเจ้านายก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ให้กินเขาก็ไม่ใจบุญเขาอาจจะใจบุญฉลาด บ, บางคนกับบางคนเขาอาจจะไม่ใจบุนก็ได้ อาจจะมีกรรมเก่ากันมาชาติก่อนอาจจะเกลียดกันเห็นทีไรก็ไม่มีความยินดีที่อยากจะดูแลช่วยเหลือกันบางคนนี้ก็เห็นน้องก็อยากจะช่วยเหลือดูแลเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของของคนที่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ได้อาจจะมีเวมีกรรมกันมากันในปางก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องขอ ง, ของเขาเราแต่งไม่ใช่เรื่องของเราดูที่ตั ว, ตวเราก็แล้วกันว่าเรา ทำทานที่พระพุทธเจ้าสอนได้ไหรือไมยว่าให้ทำกับทุกคนสับประัพท์สับประัพท์ไม่เลือกว่าเป็นคนที่เราลัางเลือกคนที่เราชังถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆก็ช่วยเหลือเขาไปคำถามจาก a ฟ e b o o k เจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูนั่งสมาธิทุกวันหนึ่งชั่วโมงประมาณปีกว่า แต่ยังไม่ค่อยสงบค่ะจะคิดเรื่องงานแต่การได้ฟังธรรมบ่อยๆทำให้มีความอยากที่จะมีเวลาปฏิบัติมากยิ่งขึ้นอยากฟังแต่ธรรมะถ้าเราสามารถไม่ต้องไปทำงานได้การลาออกจะทำให้การปฏิบัติก้ามหน้าขึ้นใหม่คะบางคนบอกว่าปฏิบัติธรรมด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะก็ได้น้อยได้มากทำมากปฏิบัติมากก็ได้มาก ทําปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยมันเป็นหลัดสักกะธรรมดาทั่วไปนยู่แล้วคำถามจากคุณปาจรีกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนสอบถามค่ะหนูนั่งสมาธิ แต่เวลานั่งสมาธิแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านคิดไปทางนั้นทีทางนี้ทีพยายามดึงสติให้กลับมาพุทโธพุทโธแต่ก็ฟุ้งไปอีกต้องปฏิบัติหรือปรับปรุงในการฝึกอย่างไรบ้างคะต้องเพิ่มสติก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยกอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทำกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปอาน้ำล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พยายามให้มีพุทธโธพุทธโธอย่เรื่อยๆแล้วเวลามันนั่งมันจะไม่คินมากมแล้วเโอเคก็ใกล้กจะหมดเวลาพอดีมีใครอยากจะถามยังไหมให้อโอกาสเขนี้ที่นี่ถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนถ้ามีคำถามก็พรุ่งนี้มาต่อได้ายางนี้ีกวันหนึ่งก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิพจาไปปฏิบัต